บทว่าอัปมาทางเนี่ยนะคือเห็นความไม่ประมาทนี่แหละเป็นทางเกษมอธิบายว่าคําว่าไม่ประมาทนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทก็คือค่าสึกของความประมาทเนี่ยนะศตรูต่อความประมาเรียกว่าไม่ประมาทเพราะอ่ะตัวนั้นแปลว่าปฏิปักษ์เนี่ยนะปฏิปักษ์ต่อความประมาทค่าสึกต่อความประมาหรือสิ่งที่ค่าความประมาเรียกว่าไม่ประมาทเพราะโดยอธิมายความว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติ เพราะสตินี้เป็นค่าศึกแห่งความประมาทชื่อว่าไม่ประมาทคาว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสตินี่นะสติยาอาวิปะวะโสความไม่อยู่ปราศจากสตินี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วเป็นนิดเนี่ยนะเข้าไปตั้งสติเอาไว้กับทุกเรื่องอันนะว่าเข้าไปตั้งสตินี่ตั้งยังไงเนี่ยนะตั้งเหมือนเอาของไปวางไว้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ก็คือไปตั้งไว้ที่จะปรารศีลในแต่ละอารมณ์ ตั้งไว้ที่จะปรารบสมถะและวิปัสนาตั้งไว้ที่จะปรารบคำสอนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนัน่นแหละเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติพันธ์คำว่าคำว่าไม่ประมาทหมายถึงว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติแต่อาจารย์บางท่านบอกว่าคำว่าไม่ประมาทคืออรูประขันสีโดยการเข้าไปตั้งสติสัมปัญญะไว้ชื่อว่าไม่ประมาทนะทั้งสติและสัมปัญญะสติก็คือ สติปฐาน4สัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะ4ี่เนี่นะ ส, สัทธะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะนี่นะตั้งสัมปชัญญะ4ี่แล้วก็เจริญสติปฐาน4นี่แหละเรียกว่าไม่ประมาทที่ชื่อว่าอัปปมาทพภาวนานี่นะไม่มีการภาวนาแยกออกจากกันอย่างหนึ่งคําว่าอัปปมาทพภาวนาเจริญในความไม่ประมา ก, ก็คือเจริญบุญญากิริยาวัตถุ เจริญบุญยกิริยากุศลจริยาทั้งหมดก็เชื่อว่าอัปมาธภาวนาถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลอบรมสมถวิปัสนาอยู่ก็เรียกว่าเจริญอัปมาธภาวนาแต่โดยความต่างกันนั้นศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนากุศลภาวนาอนวัชะภาวนาอนวัตชะแปลว่าภาวนาที่ไม่มีโทษอัปมาธภาวนาเนี่ยคืออะไร นนะชื่อเยอะแล้วเกินเนี่ยหนึ่งศีลภาวนาสองสมาธิภาวน า, ส, ส, า, า, วนาสาปัญญาภาวนา 4. ี่กุศลภาวนาหาอนัชชภาวนาหอัปปมาทะภาวนาทั้งหมดก็คือสาระคมทั้งหมดนั่นก็คือศีลอนนะก็คือสาระศีลที่ตั้งเป้าหมายเพื่อพระนิพพาน พุทธังสรนังคัจฉามิด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะธรรมังสรนังคัจฉามิด้วยความรู้ความเข้าใจสังขังสรนังคัจฉามิด้วยความรู้ความเข้าใจตั้งใจอย่างมัน่นแล้วน้อมนํากุศลเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทหรือการประลบศีลทางกายศีลทางวาจาศีลทั้งทางกายและทางวาจาเนี่ยนะ กุศลธรรมที่เป็นไปทางกายและวาจาแล้วตั้งกุศลธรรมเหล่านี้เพื่อบรรลุมรคผลนิพพานก็เรียกว่าความไม่ประมาทหรือเจริญความไม่ประมาทหรือแม้กระทั่งอบรม อ, อนาพิชาอัพยาบาตเจริญสัมมาทิธฐิตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรคผลสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่า เจริญความไม่ประมาทเนี่ยนะเจริญศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนากุศลภาวนาอนัวัชชภาวนาและอัปปมาทะภาวน า, า, า, วนาตั้งเป้าหมายตั้งอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยเพื่อการเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทเพราะว่าคําว่าความไม่ประมาทเนี่ยมีความหมายกว้างขวางมากเรียกว่า ม, มีอัฏฐะใหญ่กําหนดตั้งอยู่ในอัฏฐะใหญ่ พระธรรมกรถึกผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะสามารถจะนําเอาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกทั้งหมดมาขยายความหมายของคําว่าไม่ประมาทได้หมดเลยพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละมุ่งอธิบายถึงคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทในแต่ละอย่างนี่เป็นอย่างไรอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพระราชาก็ไม่ประมาทในในทหารไม่ประมาทในกองทัพไม่ประมาทใน พระราชบิดาพระราชมารดาพระเหสีหรือที่เรียกว่าบุตรภรยาไม่ประมาทในชาวชนบทชาวแว่นแคว้นไม่ประมาทในนกเนื้อไม่ประมาทในสมณะพราหมณ์เป็นตน้นก็คือไม่ประมาทในรอบด้านถ้าเป็นของเราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในทิศเบื้องหน้าทิศข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างล่างข้างบน น, นะไม่ประมาทในทุกทิศเจริญที่เรียกว่าตามแนววินัยของครหอขัดหรือที่เรียกว่า ที่พระ อ, องค์แสดงอะไรแกมานพนะชื่อมานพอะไรสิงขละกะมานพเป็นต้นนั่นแหละหรือไม่ก็อบรมทั้งที่เรียกว่าสรุปทบทวนก็คือเจริญมงคลทั้ง38นั่นแปดนั่นแหละเพราะว่าพระไตรปิฎกถ้าขยายออกมาก็ตามแนวมงคล38ประการนั่นแหลพะพานการที่ปฏิบัติตามกุศลธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าเจริญอยู่ในความไม่ประมาท พันคําว่าไม่ประมาทนั้นหมายถึงพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะถ้ายังอธิบายตามพระไตรปิฎกอยู่ก็ชื่อว่าแสดงถูกต้องแสดงอยู่ในอัฏฐะที่ตรงความหมายว่าอยู่ในความไม่ประมาทความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรทมในคราวปริณิพ่านในระหว่างต้นสารคูณกรุงกุสินาราทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสมา45่สิบาพันปีหรือ45ปีตั้งแต่แรกตรัสรู้ในอภิสัมโพธิการการแรกตรัสรู้ จนถึงดับขันปริณิพานสงเคราะห์อยู่ในบทเดียวเท่านั้นประทานโอวาทแก่พระพิสุททั้งหลายว่าอั ป, ปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยสรุปอยู่ลงที่คำเดียวคือคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะันถ้าย่อลงมาพระไตรปิฎกก็คือกายวาจาและใจเนี่ยนะกายวาจาก็เป็นพระวินัยปิฎก ใจก็เป็นพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกมันไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทางกายวาจาและใจตามพระธรรมคำสอนถ้าปฏิบัติตามนี้นั่นแหละเรียกว่าเจริญอยู่ในความไม่ประมาทให้เห็นเธอว่าการปฏิบัติอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเป็นทางแห่งความเกษมนั่นเป็นทางแห่งความปลอดภยัยนั่นเป็นทางแห่งความพ้นภยัยพ้นทุกข์พ้นโศกทั้งหลาย ดังที่พระองค์ตรัสไว้อีกว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผ่นดินเหล่าใดา เ, หาเหล่าหนึง่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเท้าสัตว์ทั้งหลายในความใหญ่นะรอยเท้าของช้างนี่ใหญ่กว่าเพื่อนฉันใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหลา่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูล กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดยังลงสู่ความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทท่านกล่าวว่าเลิศ ก, กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีอะไรจะเลิศ ก, กว่าความไม่ประมาทอีกแล้วผนพราษาสดาก็เลยตรัสถึงอัปปมาท่าภาวนาถึงยอดว่าถามว่าจเจริญภาวนาเนี่ยนะเจริญตรงประเด็นจริงๆอะ่ะเจริญอย่างไร ภาเวทถังคิกังมักคังเธอจงเจริญมักมีองค์8เธอนั่นแหละเรียกว่าภาวนาที่สาระตรงถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะก็คือให้เจริญอริยมักมีองค์8เจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อรู้อริยสัจสี่ประการเจริญสัมมาสังกัปปะเพื่อเจริญกุศลสังกัปปะ3ประการเจริญสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตกล่าวแต่วจีสุจริตเนี่ยนะเวนจากกายทุจริตเจริญแต่กายสุจริตเรียกว่าสัมมากัมมันตะ เว้นจากการยัตทุจริตวจีทุจริตในการประกอบอาชีพเรียกว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยนะภาคเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทําด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอเร่อเนี่ยนะปรารบในความเป็นจริงของขันทั้งหลายก็เป็นการเจริญสติทําด้วยจิตใจที่มั่นคงเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็ประมวลอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อกําหนดรอบรู้ในกองทุกขละสมุทัยทําพระนิพพานให้แจ้ง อันนี้แหละเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าข้อปฏิบัติอยู่ในความไม่ประมาทที่แท้จริงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางเพื่อทําจักสุยานปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความระ ง, งับเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเจริญมักมีองค์8ปดมักมีองค์8ถ้าสงเคราะห์ย่นย่อลงมาก็เหลือสากลุ่มคันนี้แปลว่ากลุ่ม3ามกลุ่ม มีกลุ่มศีลกลุ่มสมาธิและกลุ่มปัญญาเนี่ยนะศีลขันสมาธิขันปัญญาขนันนะซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําด้วยความสามารถแห่งองค์8ดมีสั ม, มาธิฏิเป็นต้นเพราะฉะนั้นจงเจริญมรรคนั้นให้เกิดในสันดานของตนเนี่ยนะมรรคไม่ได้อยู่ในตำรา ม, มรรคไม่ได้อยู่ในคำพีแต่ว่าอยู่ที่สันดานนะเมื่อไหรที่สันดานของเราเป็นไปกับมรรคอย่างแท้จริง อันนี้ไม่ได้พูดคําหนักนะพูดต่างคำพีเนี่ยนะมันก็เมื่อใดนาะสันดานของเราเป็นสัมมาทิฐิเนี่ยนะพราะสันดานมากไปด้วยมิจฉาทิฐิเหลือเกินเมื่อใดสันดานเป็นสัมมาสังกปะไม่ใช่สันดานมิจฉาสังกปะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสันดานเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะดูถ้าจะตรงตัวดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามเมื่อใดนะให้สันดานคือกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นไปกับองค์มรรคถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นก็พ้นทุกข์แน่ พวกเธอไม่ตั้งอยู่เพียงแต่มรรคที่เห็นเท่านั้นเนี่ยแปลว่าอย่าสันโดษอยู่เฉพาะโสดาปฏิมรรคนะมรรคที่เห็นเนี่แปลว่าโสดาปฏิมรรคเธออย่าสันโดษอยู่แค่ในโสดาปฏิมรรคจงเจริญโดยให้มรรคสมข้างบนคือสะกะทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นด้วย อปมาทาภาวนาของเธอจะถึงยอดได้ด้วยประการชนิดถ้าอารหัตมรรมเกิดเมื่อใดนั่นแหละสุดยอดแห่งความไม่ประมาทเอซาพุทธานุซาสนีคือนี้ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประมาทแท้ก็คือนน่นแหลได้อรหัตธรรมอันหนึ่งการขวนขวายความไม่ประมาทแล้วอบรมอริยมรรคนี้เป็นคำสั่งสอนเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือเป็นโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า นนะเป็นโอวาทของพระตรราคตอรตารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณนะเป็นต้นพระองค์โอวาทว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทกันนะเทสนาวสาเนเนี่ยนะเข้าการลอปิวาสนรว่าทราบว่าหรือได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยกย่องปุพพาริยาของพระองค์ ยกย่องข้อปฏิบัติมีทานศีลเนคธรรมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาที่พระองค์เจริญจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสธรรมบปริยายชื่อว่าพุทธาปทานิยะด้วยประการชนี้จะเรียกจริยาปิดกก็ได้พุทธาประธานิยะก็ได้อปทานนีแ่แปลว่าเหตุเนี่ยนะเนราะเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือจริยาปีดกข้อปฏิบัติที่เป็นความประพฤติของ พระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบจริยาปีดกด้วยธรรมะอันเป็นยอดจบลงที่พระอรหันด้วยประการชนี้บทว่าอิทธังอิทังนะครับว่าอิทธังสุทังก็คือมีประการว่าตั้งกับต้นมาน่แหละตั้งกับต้นพุทธพจน์ ท, ที่พระองค์ตรัสว่า สีอสงไขยแสนกับความประพฤติในระหว่างนี้ความประพฤติทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคือตลอดระยะเวลาสีอสงไขยบุญบารมีที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโพธิญาณพักวาเนี่ยเพราะพระองค์มีโชคพระพุทธเจ้าผู้มีโชคเรียกว่าพักวาเป็นต้นน่นะบทว่าอัตโนปุพัจรียงปุพัจรียาของพระองค์ก็คือการบำเพ็ญทุกะกิริยา ข้อปฏิบัติที่ทําโดยยากเป็นข้อปฏิบัติของพระองค์ในชาติเช่นอกิติบัณฑิตเป็นต้นในการก่อนอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะในกลับนี้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดสัมภาวยมาโนทรงประกาศโดยชอบที่พระองค์เอามาแสดงเนี่ยแสดงอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดดุดชี้มะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้นบทว่าพุทธาประธา น, นิยังนามะชื่อว่าพุทธาประทานเพราะแสดงถึงกรรมเก่า น, นะผู้ถาประธานก็คือกรรมเก่าที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอธิกิจกิจอันยิ่งที่ทำได้ยากที่พระองค์ได้ทำมาจากการก่อนของพระพุทธเจ้าบทว่าธรรมะปริยายังแสดงธรรมะอันเป็นเหตุแห่งธรรมสรุปว่าพระองค์ได้กล่าวแล้วนะกล่าวแล้วถึงเหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จบลงด้วยประการชนี ในอัตถกถาท่านสรุปว่าพระศาสดามีพระจริตบริสุทธิ์จริตก็คือจริตเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าความประพฤติความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ บริสุทธิ์เนี่ยนะก็คือสร้างบารมีมาทั้งหมดนั่นแหละทําด้วยความบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและบริสุทธิ์ทางใจบริสุทธิ์กายด้วยกายสุจริตบริสุทธิ์วาจาด้วยวจีสุจริตบริสุทธิ์ใจด้วยมโนสุจริตมีอนาพิชาอัพยาบาศและสัมมาทิฐิพระองค์ปฏิบัติจนถึงฝั่งแห่งพุทธิจริยาเนี่ยนะประพฤตปฏิบัติในการเป็นพระโพธิสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฉลาดในสัพพะจริยาทั้งหลายพระองค์นั้นทรงฉลาดในจริยาข้อประพฤติข้อปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ของโลกอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าสุดยอดของอาจารย์ทั้งหลายหาอาจารย์เช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพราะพระองค์นี้คือสุดยอดของอาจารย์ผู้ชี้นา สอนอัดสอนรมแนะนําประโยชน์เนี่ยนะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์โทษบอกกล่าวถึงประโยชน์ทั้งหลายพระองค์ทรงบรรลุความอัศจรรย์ทั้งปวงแห่งอัจฉริยธรรมทั้งหลายเรียกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในโลกสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญความน่าอัศจรรย์เหล่านั้นได้มีในพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงประกาศอนุภาพแห่งปุกพระจริยาของพระองค์ ปุพภะจริยาก็คือความประพฤติทางกายสุจริเรตวจีสุจริตมโนสุจริตที่พระองค์ได้ประพฤติมาในอดีตหรือประพฤติอะไรประพฤติกรุณาประพฤติบุญยะยานะประพฤติสุจริต3ประพฤติอธิฐานธรรม4ประพฤติสังฆะวัตถุ4ประพฤติอะไรประพฤติอินทรี่ห้ประพฤติอัธยาศาย6ประพฤติปฏิญญาเจประพฤติมหาปริสวิตตก8ประพฤติธรรมมิโยนิโสเป็นมูล9ประพฤติบารมี10บุญญะกิริยาวัตถุ10 หรือประพฤติบารมีอุปปารมีประมัฏฐปรมีมหาบริจาคเป็นต้นที่พระองค์ได้กระทํามาเนี่ยนะพระองค์ผู้เป็นศาสดานะศาสดาแปลว่าผู้ข้ามผู้ผู้สอนประโยชน์โลกนี้ป ร, นนประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้สอนประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระศาสดามาถึงผู้พาสัพรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามออกจากวัฏะ พระองค์เป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งสารณะก็คือที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าพระองค์ผู้ศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะก็คือ อ, อย่างที่เราพูดง่ายๆก็คือพุทธังสารนางค้าฉามิเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงจริยาปีดกและพระเถระผู้สังขยนาพระธรรม น, นะมีพระมหากัะสปะเป็นประธานมีพระอนนท์พระ อุบาลีพระอนุรุทธะพระมหากัจยานะเป็นต้นภาพอรหันห้าร้อรูปได้รวบรวมในคราวสังขยานาได้สังขยานาเรียบเรียงรวบรวมจริยาปิดอกเอาไว้อย่างนั้นเพื่อประกาศความแห่งจริยาปิดอกนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มพันนาความอาศัยนัยยะแห่งอัตกถาเก่าคือตามแบบแผนเลือกประกาศความอันยิ่งในจริยาปิดอกนั้นตามสมควรโดยชื่อว่าประมตทีปนี ประทีปส่องปรมัต ธ, ธรรมเนี่ยนะปรมาถีปณีแปลว่าประทีปหรือส่องนะนะประทีปหมายถึงเครื่องส่องส่องให้เห็นปรมัต ธ, ธรรมปรมัต ธ, ธรรมก็คือส่องให้เห็นอัดอันยิ่งอัดอันยิ่งหรือประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่เป็นเหตุสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าได้สําเร็จนั่นแหละการวินิจฉัยวินิจฉัยแบบไม่ยุ่งยากไม่ฟั่นเฟือเนี่ยนะถึงความสําเร็จโดยพาณวาระแห่งบาลี อ่นะมีอยู่28ภาณวระบริบูรณ์แปลว่าถ้าสวดและพักหายใจ28ครั้งเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าผู้ปรับปรุงปรมัตถทีปณีนั้นได้บรรลุถึงบุญอันเป็นคำสอนของพระโลกกนาดด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นว่าว่าด้วยบุญทั้งหมดที่ได้เกิดจากการเรียบเรียงรวบรวมข้อความตามแนวนัยะอัตกระถาแต่เก่าจนสาเร็จ เป็นประมัทถีปณีบุญอันนี้ขอให้สําเร็จบุญในคําสอนบุญในคําสอนบุญที่สูงสุดในคําสอนก็คืออรหัน ต, ตมรรคบุญเนี่ยนะพะะนันด้วยบุญอ น, นันตข้อขอจงเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอารหันตเซร ะ, ะท่านก็ตั้งอัตตะส ม, มาปณิที่เสร็จแล้วก็เจริญเมตตาว่าขอสัตว์โลกแม้ทั้งปวงจงยังลงเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิวิปัสนาเป็นต้นอันบริสุทธิ์ก็คือ ขอให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติอยู่ในศีละวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามข า, มขายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิจนถึงญาณทัศนวิสุทธิอันบริสุทธิ์แล้วจงมีส่วนแห่งวิมุตติรสเถิดรสอันเดียวแห่งความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายนะรสอันเดียวนั้นก็คือรสแห่งความหลุดพ้นเถิด มันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าได้ประพฤติได้ปฏิบัติอยู่ในทางแห่งความบริสุทธิ์ให้บรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่บริสุทธิ์จากสังคตะธรรมได้วีส่วนแห่งวีมุติรสเนี่ยนะรสแห่งความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั น, นก็เจริญเมตตาก็คือให้สาว菩ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ชอบที่ตรงเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติแล้วถึงความสิ้นทุกข์ขอาศาสนาคําสอนของพระาศาสดา ที่บริบูรณ์ไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจงปฏิสถานอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอให้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงอธิศีนอธิจิตอธิปัญญากล่าวถึงข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่ออบรมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดขอคําสั่งสอนเหล่านี้จงอยู่ในโลกตลอดกาลนานหรือชั่วงกาลนานนีะอยู่โลกไหนเนา อ, อยู่ตรงไห น, นอยู่ที่กระดาษแล้วพิมพ์จารึกเป็นศิลาหินอ่อนฝังไว้ให้ลึกอยู่ในโลกใช่ไหม โอ้ยเขาศิลาพระไตรปิฎกขินอ่อนเขาก็มีสลักไว้แล้วแต่ว่าในหินใจเนี่สิเนี่ยนะใจหินหินเนี่ยนะสลักเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรื่องๆนะสลักพระไตรปิฎกลงในใจได้ก็โอเคแล้วนะขอให้ศาสนาเนี่จงปฏิสถานอยู่ในใจของเราทั้งหลายในใจของสัตว์โลกตลอดกาลนานขอสัตว์แม้ทั้งปวงจงมีความเคารพในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิเทศ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเนี่ยนะสืบเนื่องเป็นไปเนี่ยให้หนักในคําสอนเข้าไว้ให้หนักในคําสอนที่กล่าวถึงศีลให้หนักแน่นในคําสอนที่กล่าวถึงสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะก็ถ้าหนักแน่นในคําสอนก็แสดงว่ารู้คุณของพระองค์เมื่อรู้คุณของพระองค์ก็จะหนักแน่นในคําสอนเมื่อหนักแน่นในคําสอนก็จะเข้าใจถึงหมู่พระริยสงอ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามคําสอนขอสมมุติเทพพระราชามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขอให้พระราชาพระองค์นั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมเมื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมข้าราชชาบริพารทั้งหลายก็ดํารงอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชชบริพารทั้งหลายดํารงอยู่ในธรรมชาวเมืองทั้งหลายก็จะดํารงอยู่ในธรรมชาวเวน่นแคว้นชาวชนบทเป็นต้นก็จะดํารงอยู่โดยธรรมเป็นเหตุให้อุตุเป็นต้นดีก็เป็นเหตุให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เ็นะพนก็ขอให้พระองค์ประพฤติธรรมชาวโลกทั้งหลายได้ประพฤติธรรมเมื่อชาวโลกโลกทั้งเทวโลกพาการประพฤติธรรมฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวหรืออาหารทั้งหลายก็มีโอชารสโรคภยัยไข้เจ็บเป็นต้นก็ไม่เบียดเบียนเนี่ยนะเพราะว่าอาหารที่มีคุณภาพทำให้สุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเนี่ยนะได้อุตสสปายะอาหารสปายะ อานะมีร่างกายที่สุขสบายแล้วก็สดเชิญนให้ใจยินดีในพระสัตวธรรมก็คือเมื่อสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีให้จิตใจยินดีอยู่ในพระสัตธรรมเถิดให้จิตใจยินดีอยู่ในปริยติธรรมให้จิตใจยินดีในโพธิปัจยธรรมให้ใจยินดีอยู่ในสติปัฏฐานสัมมาประทานอิทธิบาทอินทร์สีระระภละโพชงองมัชเถิดขอให้พระองค์ผู้ปกครองโลก ขอให้พระองค์จงปกครองโลกโดยธรรมเถิดก็คือปกครองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นโดยธรรมเถิดด้วยประการชนี้แล αι. อันนี้ก็เป็นนิคมนกถาเนี่ยแปลว่าบทสรุปหรือตอนสุดท้ายที่พระอาจารย์ธรรมปาละอยู่ที่วัดท่าพุทาได้แต่งเอาไว้เนี่ยนะวัดท่าพุทาไม่รู้วัดนี้อยู่ตรงไหนก็ไปก็ยังนึกไม่ออกว่ า, วาพัทธะติฐะเนี่ยแปลภาษาไทยว่าวัดท่าพุาเนี่ยนะ ก็ไปดูเอา啊นะไปข้างนี้ดูว่าจะไปถามหาพบหรือเปล่าพี่เตรียมถามมานะครับพัทธะติฐถวิหานี่อยู่ตรงไหนเหมนนะจะได้ไปกราบพระอาจารย์ธรรมปาละผู้ผลงานของท่านเนี่ยนะท่านเป็นทั้งอัตถกาจารย์และดีกาจารเนี่ยนะเป็นอัตถกาจารย์ก็คือท่านเรียบเรียงอัตถกาอิติวุติกาเรียบเรียงอัตถกาจริยาปิดกท่านเป็นดีกาจารเรียบเรียงดีกาวิสุทธิมร์เนี่ยประมัติธรรมัญชุษา ที่แรกกหีบบรรจุพระธรรมเนี่ยนะท่านก็ประมาธมันชู้ษาตรงนี้ก็ประมัททีปณีประทีบสองประมาทธรรมถ้าประมาทมันชุสาก็คือประมัทะมันชุสามันชุสษาแปลว่าหีบเนี่ยนะหีบที่บรรจุประมาทธรรมเนี่ยนะคำว่าประมาทในที่นี้หมายถึงว่าปะประมาทเนี่ยแปลว่าสูงสุดอัตถาก็คือเนื้อความเนื้อความแห่งคําสอนที่สูงสุดก็หมายถึงสอน อสอนอริยสัจทั้งหลายนั่นเองเพราะอริยสัจนั่นแหละเป็นการประกาศประมตธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะมันเนื้อความในจริยาปิเดกก็จบลงเพียงเท่านี้นะท้ายที่สุดนี้พระธรรมคําคสอนจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในมวลสัตว์โลกทั้งหลายนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจบอกกล่าวแสดงศึกษาเล่าเรียนทรงจําและนําเอาไปปฏิบัติตามขอบุญกุศลคุณงามความดี แห่งการปฏิบัตินี้และความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขอความผาสุขความสงบร่มเย็นจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้ธรรมตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการพระองค์ประสงค์อย่างใดในการปฏิบัติสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขอความประสงค์ของพระองค์จงสําเร็จ ขอให้พระองค์นี้ประสบความประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งไว้แล้วขอเราทั้งหลายก็จงสำเร็จความประสงค์ดังที่ได้ศึกษากันทั่วนหน้านะสำหรับจริยาปิดกก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็จบลงด้วยประการชนิดเจนพร